ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะประพระปุพาสิกขาและปุพาสิกขาวันน า, นาพระอมราพิรกษิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมิวารจนาต่อไปจะเป็นสังครัตนกถาแต่นี้จะพรนานาสังครัตนะถามว่า อะไรเป็นสงสงจะมีส ก, กิยางสังฆะนั้นแปลว่าอะไรแก่ว่ามู่บุคคลผู้ฟังคําสอนแห่งพระพุทธเจ้าแล้วและตัสรู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าชื่อว่าสงในที่นี้ที่เรียกว่าสงนั้นมีสองอย่างคือส ม, มุติสง์และอริยสง์ภิกษุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปนั่งในภายในสีมา ไม่ละหัตถบาตกันมีอำนาจให้สําเร็จสังฆกรรมนั้นๆมีอุปโสถเป็นต้นได้ชื่อว่าสมมุติสง์แปลว่าสง์โดยสมมุติหมู่สาวกแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นอริยะสาวกชื่อว่าอริยสง์แปลว่าหมู่แห่งพระอริยเจ้าหรือหมู่ที่เป็นพระอริยเจ้าจะกล่าวด้วยสาวกแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อน สาวกแปลว่าคนผู้ฟังคําสอนแห่งพระผู้มีพระภาคก็แลคนผู้ฟังคําสอนซึ่งชื่อว่าสาวกนั้นมีสองอย่างคือปุตชนสาวกกับอริยะสาวกบุคคลจำพวกใดได้ฟังโอวาแต่เฉพาะพระภักดงพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือฟังแต่สํานักสาวกของพระผู้มีพระภา ค, เ จ, าา ค, าคเจ้าก็าดีไม่ได้ความตรรู้มรรคผลทำมวิเศษจึงใด ได้แต่ตัต t าความเชื่อในพระสนะไตรดำรองอยู่ในสารณคมบุคคลจําพวกนั้นชื่อว่าปุตุชนสาวกสาวกเป็นปุตุชนบุคคลจําพวกใดได้สดับธรรมานุศาสตร์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเองก็ดีหรือสาวกแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดผู้หนึ่งในพุทธการหรือภายหลังแต่พุทธการแสดงก็ดีและผู้นั้นย่อมได้โลกุตระที่สมัย มักผลในขณะเมื่อฟังก็ดีหรือปฏิบัติตามคำสอนแล้วแลได้ในภายหลังก็ดีเหล่านี้ชื่อว่าอาสิยสาวกแปลว่าสาวกผู้ไปจากฆาศึกคือกิเลสในที่นี้ไม่ประสงค์ปุถุชนสาวกประสงค์แต่อริยะสาวกจำพวกเดียวก็แลอริยะสาวกนั้นจัดเป็นคู่ได้สี่คู่คือโสตาปฏิมขัตถะ โสตาปฏิภรัตถะคู่หนึ่งสกิทาคามิมักคัตถะสกิทาคามิภรัตถะคู่หนึ่งอนาคามิมักคัตถะอนาคามิภรัตถะคู่หนึ่งอรหัตมักคัตถะอรหัตตะระคัตถคู่หนึ่งคัตถะคัตถะนี่ก็หมายถึงตั้งอยู่นะโสดาปฏิมักคัตถะก็หมายถึงผู้ที่ตั้งอยู่ในโสดาปฏิมักโสตาปฏิภรัต ท่าก็หมายถึงผู้ที่ตั้งอยู่ในตัดาปติผลตัทั้งถึงอรหัตตมัคคัฏถะก็หมายถึงผู้ที่ตั้งอยู่ในอรหัตมัคอรหัตตภ ร, รัตถะก็หมายถึงผู้ที่ตั้งอยู่ในอรหัตผลเรียงเป็นตัวบุคคลเป็นแปดก็แลชื่อพระอริยเจ้ามีคือชื่อว่าโสดาบันสกิทาคามีหรือว่าสกัตตาคามีอาณาคามีแล้วก็อรหันต์สี่ชื่อนี้ อาศัยท่านผู้ตั้งอยู่แล้วในผลกล่าวโดยคุณคือมละกิเลสนั้นๆด้วยมักนั้นๆั้นแล้วแลตั้งอยู่ในผลพระโสดาบันมละสังโยชน์สามได้คือสกายาพิธิวิจิติิชาศรรธธีลพัจปรามาภดังกล่าวแล้วในโสดาปติมักกับมละกามราคะพยาบาทส่วนที่หยาบซึ่งจะให้เกิดทุจริตสามเป็นอปัยะคามิก็คือ อาบุตรให้ถึงอบายท่านเป็นคนมีธรรมเป็นเครื่องไม่ให้ตกไปในอบายเป็นคนที่เทีย่ยงเป็นคนที่มีอันจะตัสรู้อรัตผลเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอย่างไรก็ตัดสรู้แน่นอนเป็นพระอรหันต์แน่นอนสําหรับพระปฎบันในน้ำไม่เกินเจ็ชาติเป็นพระอริยเจ้าแรกถึงพระนิพพานขณะเมื่อท่านถึงโสดาปติมัติชื่อว่าโสตาปติมัคคถะแปลว่าท่านผู้ตั้งอยู่ในโสดาปติมัติ ขณะเมื่อท่านถึงโสดาปฏิผลชื่อว่าโสตาปฏิพลัตตาแปลว่าท่านผู้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลอันหนึ่งชื่อว่าโสดาบันแปลว่าท่านผู้แรกถึงกระแสแห่งพระนิพพานคือมรรคพระโสดาบันมีสามจำพวกก็คือเอกพีชีมีพืชคือพบอันเดียวเพราะจะต้องเกิดในมนุษยโลกหรือเทวโลกอีกครั้งเดียวแล้วกระทําให้แจ้งอรหัตผลสิ้นพบหน้าจําพวกหนึ่ง ชื่อว่าโกลังโกระคือเกิดอีกสองพบหรือสามพบกระทําให้แจ้งพระอารัตผลจําพวกหนึ่งชื่อสัตตะขัดตุงปรมะคื อ, อยังท่องเที่ยวอยู่ในมนุษยโลกและเทวโลกอีกเจ็ดครั้งเจ็ดชาติเป็นอย่างยิ่งไม่ถึงชาติที่แปดคงจะทําให้แจ้งอรัตผลด้วยขันธะปรินิพานในพบที่เจ็ดเป็นแท้จําพวกหนึ่งเป็นสามจำพวกชนิด พระสกิทาคามีท่านย่อมทำราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นอกุศลมูลให้น้อยใอ้บางไปดังต้นหญ้าเกิดในร่มท่านมาเกิดในการมาพบนี้อีกคราวเดียวแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งอรัตผลอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ดับขานฆ่าปรินิพานก็แลขณะเมื่อท่านถึงสกิทาคามิมัสท่านชื่อว่าสกิทาคามิมักขถะแปลว่าท่านผู้ตั้งอยู่ในสกิทาคามิมัส ขณะเมื่อท่านถึงสกิทาคามิผลแล้วท่านชื่อว่าสกิทาคานิพัลธาแปลว่าท่านผู้ตั้งอยู่ในสกิทาคามิผลหรืออันหนึ่งชื่อว่าสกิทาคามีแปลว่าท่านผู้มายังการพบนี้อีกคราวเดียวสกิทาคามีหรือว่าสกะทาคามีก็ได้พระอนาคามีท่านย่อมมละสังโยชน์สองคือการมราคะทะยบาทได้ ดับขันแล้วท่านย่อมไปบังเกิดในสุทาวาสลมโลกทั้งห้าแห่งใดแห่งหนึ่งนี่หมายถึงต้องได้ฌานห้าด้วยนะโดยปัญจกนยัยหรือว่าฌานสี่โดยเจตุธนัยถ้าไม่ได้ฌานสี่ฌานห้าโดยเจตุธนัยหรือปัญจกนัยนี้ได้ฌานหนึ่งฌนสองฌนสามก็จะไม่ไปบังเกิดในสุทาวาสอันนี้ท่านกลับกันสูงแล้วดับขันทัปปรินิพพานในสุทาวาสนั้นมีอันไม่กลับจากลมโลกนั้นเป็นธรรมดา ก็แลขณะเมื่อท่านถึงอนาคามิมักท่านชื่อว่าอนาคามิมักคัตถะแปลว่าท่านผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมักขณะเมื่อท่านถึงนาคามิผลท่านชื่อว่าอนาคามิผลทะแปลว่าท่านผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิผลหรือหนึ่งท่านชื่อว่าอนาคามีแปลว่าท่านผู้ไม่มาอย่างกามพบนี้อีกพระนาคามีนั้นมีห้าจำพวกชื่อว่า อันตราปรินิพพายีผู้ดับในระหวา่างคือว่าเกิดขึ้นในสุทาวาตรมโลกแล้วและยังไม่ทันถึงท่ามกลางอายุท่านย่อมยังอารัตธรรให้บังเกิดขึ้นเพื่อมละสังโยชน์เบื้องบนได้ชจำพวกหนึ่งชื่อว่าอุปหั จ, จปรินิพพายีท่านผู้เข้าจดแล้วและดับคือว่าท่านเกินท่ามกลางอายุขึ้นไปจนการอายุจะสิ้นยังอารัตมัรมให้บังเกิดขึ้น เพื่อมาละสังโยชน์เบื้องบนห้าได้จำพวกหนึ่งคนนี้ก็ต้องเลยท่ามกลางอายุขึ้นไปแล้วจะไปเกิดในอวิหาอาตตปาสุทัศสาสุทัศศีก็แล้วแต่แต่ว่าต้องเลยกึ่งอายุขึ้นไปแล้วถึงจะทําให้แจ้งอรัตผลเรียกว่าอุปะหัจจปริณิพายีท่านผู้ที่เข้าจบเกินครึ่งอายุไปแล้วชื่อว่าอาสังขารปริณิพายีผู้ดับด้วยอสังขารคือว่า ท่านยังอารัตมัตให้บังเกิดขึ้นเพื่อมละสังโยชน้าเบื้องบนด้วยไม่ยากไม่ต้องประกอบความเพียรยิ่งใหญ่ชั้นพวกหนึง่งชื่อว่าสัสังขาระปรินิพพายีผู้ดับด้วยสัสังขารคือว่าท่านยังอารัตมัตให้บังเกิดขึ้นด้วยยากต้องประกอบประโยคนยิ่งใหญ่ชั้นพวกหนึง่งชื่อว่าอุทังโสโตโอาตนิทักามีผู้มีกระแสในเบื้องบน ไปสู่พบชื่อว่าอากานิธะคือจุติจากอวิหะพรหมโลกแล้วก็ไปยังอตัตตปปะพรหมโลกแล้วก็จุติจากอัตัปปะพรหมโลกแล้วไปยังสุทัศสะพรหมโลกจุติจากสุทัศสะพรหมโลกแล้วไปยังอาตานิธะพรหมโลกยังอรหัตมรรมให้เกิดขึ้นมาละสังโยชน์เบื้องบนในพรหมโลกนั้นจำพวกหนึ่งเป็นห้าจพวกดังนี้ พระอรหันย่อมมละสังโยชน์เบื้องบนห้าได้คือรูปราคะอารูปราคะมานะอุทธัจฉะอวิชชาซึ่งเป็นกิเลสละเอียดสิ้นพบในเบื้องหน้าดับขันแล้วปรินิพานก็แลขณะเมื่อท่านถึงอรหัตมัตท่านชื่อว่าอารหัตตมัติคัตถะแปลว่าท่านผู้ตั้งอยู่ในอรหัตมัติขณะเมื่อท่านถึงอรหัตผลท่านชื่อว่าอารหัตตะพลัดภะ แปลว่าท่านผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผลหรืออันหนึ่งชื่อว่าอารหันแปลว่าท่านผู้ควรผู้ไกลกิเลสพระอารหันนั้นโดยคุณนามที่ปรากฏอยู่มีสี่จำพวกคือสุขะวิปัสโกท่านผู้มีวิปัสนาอันแห้งเพราะไม่มียางคือสมถะภาวนาได้เจริญวิปัสนาอย่างเดียวบรรลุพระอรหันต์ไม่ประกอบด้วยฤทธิ์วิเศษสิ่งใดจาพวกหนึ่ง อันนี้ก็ในเทศาบางที่แสดงว่าผู้ที่ได้ฌานออกจากฌานแล้วก็จเจริญปัสนาเอาปกิณกะทำอย่างอื่นเป็นอารมณ์หรืว่าไม่ได้พิจารณาอ ง, งค์ฌานที่บรรลุเวลาที่บรรลุก็ไม่ได้บรรลุพร้อมกับฌานอย่างนี้ก็เรียกว่าสุขาวิปัสสนาเหมือนกันแม้ว่าจะเจริญฌานมาแต่ว่าเวลาบรรลุไม่ได้บรรลุพร้อมฌานก็เรียกว่าเป็นสุขาวิปัสสโกเหมือนกันชื่อว่าเตวิชโชท่านผู้ประกอบด้วยวิชาสามจำพวกหนึ่ง ชื่อว่าชระพินโยท่านผู้ประกอบด้วยอภิญญาหกจาพวกหนึง่งชื่อว่าปฏิสัมพิทัสปัตโตท่านพู้ถึงปฏิสัมพิทาทั้งสี่จำพวกหนึง่งเป็นสี่จำพวกดังนี้ประเภทสี่นี้ย่อมได้ในพระอริยเจ้าเบื้องต่ําด้วยโดยปริยายหมู่แห่งพระอริยเจ้าซึ่งเป็นสาวกแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าดังกล่ามานี้แลชื่อว่าอาริยสง์ในที่นี้ จึงได้กมกับบาลีว่าพระกวะโตสาวกสังโคสังโคนั้นแปลว่ามูหรือว่าเบียดกันคือว่าพระอริยเจ้าเหล่านั้นแม้อยู่ไกลกันคนละประเทศคนละพิภพต่างกันโดยชาติและเพศก็ชื่อว่าเป็นหมูอันหนึ่งชื่อว่าเบียดกันด้วยคุณคือศีลและทิฏฐิความเห็นเสมอกันเหมือนอย่างคาว่า มิฆสังโฆแปลว่าหมู่เนื้อสกุลสังโฆแปลว่าหมู่นกโดยววหารโลกที่กล่าวกันอยู่อย่างนี้อาศัยชาติและอวัยวะสันฐานร่างกายที่คล้ายกันเหมือนกันเป็นหมวดหมวดหมู่หมู่สัญจรอยู่บนแผ่นดินก็ดีบนอากาศก็ดีววหารโลกกล่าวกันว่าหมู่เนื้อหมูนกพระสัตว์เหล่านั้นเหมือนกันคล้ายกันอยู่ใกล้กัน กแลพระอริยเจ้าอยู่ตามสถานการก็ดีแต่คุณคือศีลและทิฏฐินั้นเหมือนกันใกล้กันเบียดกันเพราเหตุนั้นโดยอริยะโวหารจึงได้กล่าวว่าสังโคแปลว่าหมู่หรือว่าแปลว่าเบียดกันโดยพระคุณถามว่าพระสงค์มีคุณอย่างไรแก่ว่าคุณแห่งพระสงค์มีมากแต่ตัดลงให้ตั้นคุณที่เป็นประธานแห่งคุณทั้งปวงก็อย่างเดียวคือ สุปฏิบัติหมายถึงความปฏิบัติดีสุปฏิปันโนลำดับนี้จะแปลและอธิบายในบาลีว่าสุปฏิปันโนเป็นต้นเพื่อจะให้สาธุชนรู้คุณแห่งพระสงฆ์อันเป็นอนุสติฐานที่ตั้งแห่งการระลึกดเนืองถ้าขวัโตสาวก ส, สังโฆพระสงฆ์เป็นสาวกแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือแปลว่า มูสงแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสู่ปฏิปันโนเป็นคนปฏิบัติแล้วดีคือว่าเป็นผู้ดำเนินไปสู่สัมมาปฏิปทาข้อปฏิบัติชอบอนิวัติปฏิปทาข้อปฏิบัติไม่หวนกลับอนุโลภปฏิปทาข้อปฏิบัติที่คล้อยตามอริยมรรคล้อยตามพระนิพพานอปัจานิกาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นข้าศึกแก่พระนิพพานและธรรมานุธรรมปฏิปทาข้อปฏิบัติที่สมควรแก่ธรรม มักประกอบด้วยองค์แที่สงเทราะด้วยขันสามคือศีลสมาธิปัญญานี้แหละชื่อว่าสัมมาปฏิปทาเพราะเป็นความปฏิบัติชอบแท้ไม่วิปลาสชื่อว่าอนิวัติปฏิปทาข้อปฏิบัติไม่หวนกลับพราะผู้ใดดำเนินถึงแล้วผู้นั้นเป็นพระอริยเจ้าไม่กลับมาเป็นปุถุชนอีกชื่อว่าอนุโลปฏิปทาเพราะปฏิบัติเป็นอนุโดมแก่พระนิพพาน ชื่อว่าอภัจจานิกาปฏิปทาข้อปฏิบัติไม่เป็นฆาเสึกแก่พระนิพพานและคนผู้ปฏิบัติชื่อว่าธรรมานุธรรมะปฏิปทาข้อปฏิบัติเป็นธรรมตามแก่ธรรมคือสมควรแก่ธรรมสมควรแก่พระนิพพานพระสงฆเป็นผู้ดำเนินตามสัมมาปฏิปทาอันประกอบด้วยคุณดังกล่าวมานี้แหลจึงชื่อว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติแล้วดีปะขวโตสาวกสังโฆ พระสงฆ์เป็นสาวกแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ดำเนินไปสู่ข้อปฏิบัติอันตรงสำมาปฏิปทาดังกล่าวแล้วนั่นแหลชื่อว่าอุชุปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติอันตรงไม่คดไม่โกงไม่งอเป็นทางตรงต่อพระนิพพานพระสงฆ์เดินตามสัมาปฏิปทานั้นจึงชื่อว่าอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ดำเนินไปสู่ข้อปฏิบัติอันตรง พระควาโตสาวกาสังโฆพระสงฆ์สาวกแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้ายายะปฏิปันโนเป็นผู้ดำเนินไปสู่ข้อปฏิบัติเป็นเครื่องรู้สัมมาปฏิปทาข้อปฏิบัติชอบนั้นแหลชื่อว่ายายะปฏิปทาเพราะเป็นข้อปฏิบัติสําหรับรู้แจ้งแทงตะดอซึ่งพระนิพพานเป็นของพระอริยเจ้าพระสงฆ์ดําเนินตามข้อปฏิบัตินั้นจึงชื่อว่ายายะปฏิปันโน เป็นผู้ดำเนินไปแล้วสู่ข้อปฏิบัติเป็นเครื่องรู้พระว่โตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสามีจิตปฏิปันโนเป็นผู้ดำเนินไปสู่ข้อปฏิบัติอันชอบแท้สามาปฏิปทาข้อปฏิบัติชอบนั้นแหล่ชื่อว่าสามีจิตปฏิปทาเพราะเป็นข้อปฏิบัติอันชอบแท้สมควรแก่พระนิพพาน พระสองผู้ดำเนินตามข้อปฏิบัตินั้นจึงชื่อว่าสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ดำเนินไปสู่ข้อปฏิบัติอันชอบแท้ก็แลพระอริยเจ้าจำพวกใดตั้งอยู่ในมรรคพระอริยเจ้าจำพวกนั้นให้บัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีเพราะเป็นผู้ถึงพร้อมอยู่ด้วยสัมมาปฏิปทาคือมรรคพระอริยเจ้าทั้งหลายใดที่ตั้งอยู่ในผลพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้น ให้บัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีอาศัยข้อปฏิบัติที่เป็นอดีตล่วงไปแล้วพระธรรมที่ท่านจะพึงถึงพึงได้ด้วยสัมมาปฏิปทานั้นท่านปรถึงแล้วได้แล้วอั น, นึ่งพระสงฆ์ชื่อว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีเพราะเป็นผู้ปฏิบัติตามโอวาทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร่ำสอนในธรรมวินัยอันพระองค์กล่าวแล้วดี อันหนึ่งชื่อว่าสุปฏิปันโนเพราะเป็นผู้ดำเนินไปยังอปันนกะปฏิปทาดำเนินโดยข้อปฏิบัติอันไม่ผิดก็ได้แก่ศีรสังวรอินรียสังวรโภชเนมัตัญยุตาและชาคริยานุโยกอันนี้ชื่อว่าอปันนักปฏิปทาชื่อว่าอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงเพราะเป็นผู้ไม่เข้าไปใกล้ซึ่งส่วนอันลามกสองอย่างคือกามะตุคัลิกานุโยกและอตตะกิรมาานุโยค ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติอันผิดท่านดำเนินตามมัชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติเป็นท้ามกลางอันหนึ่งชื่อว่าอุชุปฏิปันโนเพราะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อจะมณะเสียซึ่งโทษคือความโกงกายโกงวาจาโกงใจพระสงอ์ชื่อว่าญายาปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำอันบุคคลพึงรู้เพราะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่พระนิพพานเป็นทำอันบุคคลพึงรู้ ชื่อว่าสามีจิตปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบแท้เพราะว่าบุคคลทั้งหลายปฏิบัติอย่างไรจึงเป็นผู้ควรสามีจิกรรมมีอภิวาสศราบว่าเป็นต้นท่านปฏิบัติอย่างนั้นอันหนึ่งพระสงฆ์ชื่อว่าสุ ป, ปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีนั้นคือท่านกระทําศีลประหนึว่ารัว้วและกําแพงกั้นข้าศึกคือทุจริตสังเกตซึ่งเป็นอกุศลอัญญาบอันเกิดในกายยัตวาลวจีทวาน และท่านทำสมาธิเป็นดุจแผ่นศีลาอันใหญ่ปิดไว้ซึ่งข้าศึกในภายในคือปริยุทธานสังิเลตอันเป็นอกุศลเกิดขึ้นครอบนำน้ำจิตท่านทาปัญญาเป็นดวงประทีปส่องให้สว่างในกองสังขารทั้งปวงโดยส่วนส่วนมีขัน์เป็นต้นเห็นประจักษ์แจ้งว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใช่ตนด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้แล้วและกระทาปัญญาเป็นดุจซาตราอันคมกล้า พิคาตค่าอนุสัยกิเลสซึ่งเป็นส่วนอันละเอียดยังตามเป็นพระโสดาบันบุคคลสิ้นสกายตาิฐิได้เห็นชัดว่าปัญจขันธ์ใช่ตัวใช่ ต, ชตนสิ้นวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงในการทั้งสามในรัตนะทั้งสามด้วยเห็นคุณแห่งพระพุทธเจ้าชัดและโลกุตรธรรมก็บังเกิดปรากฏในสันดานจนท่านก็เป็นพระอริยสงฆ์สิ้นสีลพตปรามาด้วยเห็นชัดว่า ตนบริสุทธิ์ด้วยไตรสิกขาซึ่งเป็นสัมมาปฏิปทาข้อปฏิบัติชอบไม่บริสุทธิ์ด้วยศีลวัตซึ่งเป็นข้อปฏิบัติอย่างอื่นพระสงฆ์ชื่อว่าอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงนั้นคือท่านปฏิบัติตรงพร้อมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเพราะมละได้ซึ่งความโกงด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจชื่อว่าญายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อจะออก คือท่านไม่ปฏิบัติเพื่อลาบและยศความสรรเสริญในปัจจุบันและสวรรคสุคติพบที่เสวยสุขนั้นๆในเบื้องหน้าท่านปฏิบัติเพื่อจะออกจากพบทั้งปวงจากทุกทั้งปวงฝ่ายเดียวท้าสองชื่อว่าสามีจิปฏิปันโนท่านเป็นผู้ปฏิบัติชอบแท้คือว่าท่านปฏิบัติดัดกายวาจาใจด้วยไตรสิกขาศีล ส, สมาธิปัญญาซึ่งเป็นสัมมาปฏิปทา กาปฏิบัติชอบแท้ควรแท้แก่โลกุตรธรรมยะดีดังอะไรนี้จัตตาริปุริษะยุคานิคู่แห่งบุรุษทั้งหลายสี่อัถะปุริษะปุขลาบุคคลผู้บุรุษทั้งหลายแปดคือว่าจัดเป็นคู่สี่คู่เรียงเป็นตัวบุคคลแปดบุคคลเอสาทัทวัโตสาวกั ส, สังโฆนั่นแหลชื่อว่าพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า อาหุนยโยท่านเป็นผู้ควรซึ่งอาหุนะของคำนับอาหุนะนั้นแปลว่าของอันบุคคลจะพึงนํามาแม้แต่ที่ไกลแล้วและถวายในบุคคลทั้งหลายผู้มีศีลคือปัจจัยทั้งสี่นั้นเองใช่อื่นถ้าสมเป็นผู้ควรจะรับซึ่งอาหุนะของคำนับนั้นเพราะท่านกระทำการคำนับแห่งทายกนั้นให้มีผลอันใหญ่ยิ่งได้ด้วยคุณแห่งตน ประเหตุนั้นท่านจึงชื่อว่าอาหุน ayo ผู้ควรซึ่งของคำนับปาหุนโยท่านเป็นผู้ควรซึ่งปาหุนะของต้อนรับก็แลอาคันตุกะท า, านอันบุคคลแต่งไว้พร้อมด้วยเครื่องสการะเพื่อประโยชน์จะต้อนรับญาติและมิตรน่ารักน่าเจริญใจซึ่งมาแต่ทิศใหญ่และทิศน้อยชื่อว่าปาหุนะของต้อนรับอาคันตุกะท า, านของต้อนรับ แม้อันนั้นควรจะยกจเจว้นเสียซึ่งญาติและมิตรและคนมาแขกเหล่านั้นแล้วแลถวายแก่พระสงฆ์อย่างเดียวพระสงฆ์จะพวกเดียวควรจะรับซึ่งของต้อนรับนั้นเพราะคนผู้มาแฝกอื่นซึ่งจะเสมอเหมือนด้วยพระสงฆ์นั้นไม่มีด้วยว่าพระสงฆ์เป็นคนมาแฝกย่อมปรากฏมีในการเป็นพุทธันดรหนึ่งไม่มีในการทั้งปวง และท่านจ่อมประกอบด้วยธรรมอันกระทำซึ่งความเป็นผู้น่ารักน่าเจริญใจมีศีลคุณเป็นต้นอันไม่เปลื่อนกลลขาดลงเพราะดังนี้ของต้อนรับนั้นจึงควรจะถวายแก่พระสงฆ์นั้นอย่างเดียวพระสงฆ์จําพวกเดียวควรจะรับซึ่งของต้อนรับนั้นเพราะเหตุดังนี้พระสงฆ์จึงชื่อว่าปาหุเนโยเป็นผู้ควรซึ่งของต้อนรับทักคินโย ท่านเป็นผู้ควรซึ่งทักษินาทานเป็นเครื่องเจริญด้วยสมบัติท่านอันบุคคลเชื่อต่อปรารโรคแล้วแลมึงให้ชื่อว่าทักษินาในที่นี้พระสงฆ์ท่านย่อมควรซึ่งทักษินานั้นอันหนึ่งท่านย่อมเกื้อกูลแก่ทักษินาทานนั้นคือว่าท่านย่อมชําระทักษินาทานของทายกให้บริสุทธิ์ได้ด้วยกระทําทักษินาทานนั้นให้มีผลอันใหญ่ยิ่ง เพราะเหตุดังนี้จึงชื่อว่าทักขิเนโยเป็นผู้ควรซึ่งทัศินาอัญชริกรณีโยท่านเป็นผู้ควรซึ่งทำอัญชิิกรรมกระพุ่มมือที่โลกทั้งปวงตั้งลงซึ่งหัดทั้งสองเหนือเสียนกระทำเพราะแม้อย่างต่ำสัตว์โลกแลดูพระสงฆ์ด้วยจักสุประกอบด้วยเมตตาเท่านั้นจักสุนั้นย่อมจะปรากจากโทษมีต่อเป็นต้นในอเนกชาตหลายพหลายชาติถ้า มองดูพระพิสุสงค์ด้วยจักรสุอันเป็นที่รักจะไม่ทำให้เกิดเป็นตาต้อตาเหลตาเอียงตาเขตาบอดต่างๆหลายพบหลายชาติเลยทีเดียวอนุตรังปุญญ์เขตังโลกัสสะพระสงค์เป็นนาเป็นไร่ที่งอกบุญที่หวานพืชคือกุศลแห่งสั ต, ตว์ตโลกทั้งปวงไม่มีเขตอื่นยิ่งกว่าหรือเสมอเหมือนเหมือนอย่างว่าที่งอกที่หวานพืชข้าวสาลี ข้าวเหนียวแห่งกษัตริย์หรืออมตะโลกย่อมเรียกว่านาข้าวสาดีนาข้าวเหนียวแห่งกษัตริย์และอมตะฉันใดก็ดีพระสงค์เป็นที่งอกที่เจริญบุญแห่งโลกทั้งปวงจึงชื่อว่านาบุญแห่งโลกไม่มีใครยิ่งกว่าฉะนั้นกราะบุญกุศลซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์และศุกมีประการต่างๆแห่งสัตวโลกย่อมงอกงามเจริญก็เพราะอาศัยพระสงค์ ซึ่งว่าพระสงค์เป็นนาบุญแห่งโลกไม่มีเขตอื่นยิ่งกว่านั้นด้วยพระสงค์เป็นนาอันบริสุทธิ์ตาสะจากโทษคือกิเลสที่เป็นเครื่องปัทุสายสันดานตนและทานการบูชาแห่งโลกดังนาอันบริสุทธิ์ตาสะจากโทษคือย่าและแรงโกรวดตายซึ่งเป็นของปัทุสไ้ายแก่ข้าวกลา้าก็แลคุณแห่งพระสงค์ซึ่งได้ในบทบาลีเหล่านี้ว่าโดยย่อตัดสั้นก็สองเท่านั้นคือ อาตหิตะคุณเกื้อกูลแก่ตนเองอย่างหนึง่งปราชิตะคุณเกื้อกูลแก่ผู้อื่นอย่างหนึง่งคุณเกื้อกูลแก่ตนเองได้ในบทว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนดังนี้ส่วนคุณเกื้อกูลแก่ผู้อื่นนั้นได้ในบทอันเซตตั้งแต่อาวุนโยปาหุนโย นักทีนโยอัญชริกะระิโยอนุตตรังคุยะเกตังโลกาสะก็แลผู้รำพึงถึงคุณแห่งพระธรรมพระสงฆ์จะรำพึงตามบททุกๆบทก็ได้หรือจะรำพึงตั้งแต่บทใดบทหนึ่งบทเดียวสองบทก็ได้แต่ให้รู้อัฏฐานที่บายให้ชัดอย่าถือเอาแต่พยัญชนะมาบ่นด้วยวาจาทำดังนี้ไม่สำเร็จประโยชน์อันใดสังสารัตนะตาถาจบ ขอให้ท่านทั้งหลายได้น้อมนําเอาคุณของพระสงฆ์ทั้งหลายมีภาษารีบุตรพระมคณพระ ม, ราะมหากสรสปะพระอานุนเป็นต้นเป็นน้อนมนึกมนณาสิกานใส่ใ จ, ใจพิจารณาทําให้เกิดปีติประโมดแล้วก็น้อมจิตน้อมใจไปในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามเพื่อที่จะได้เป็นจุปฏิปันโนสักวันหนึ่งขอให้ท่านทั้งหลายได้บรรลุอริยมรรคอริยผลแล้วก็เป็นสาวกของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าในการไม่เนื่องช้านี้ด้วยเถิดสาธุ สากุสาทุ